ส่วนธรรมะหประการนะครับเพื่อละพยาบาทคือ1การเรียนเมตานิมิตนะครับการเจริญเมตตาเนี่ยนะหรือว่า เ, เรียนเมตานิมิตการเจริญเมตตาการพิจารณาความที่สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนความเป็นผู้มากไปด้วยการพิจรารณาความมีกัลยาณมิตรแล้วก็การกล่าวถ้อยคําที่เป็นสปายะนะครับมี6กในนะคือ1เรียนเมตานิมิต2การเจริญเมตตา3 การพิจารณาความที่สาทั้งหลายมีกรรมเป็นของตน 4. ความเป็นผู้มากไปด้วยการพิจารณา 5. ความมีกาลยานามิตร 6. การกล่าวคาที่เป็นส ป, ปายะนะครับอธิบายว่าผู้กำลังเรียนเมตตาด้วยสามารถแห่งการแผ่ไปทั่วทิศทั้งละโดยทั้งเจาะจงทั้งโดยไม่เจาะจงอย่างใดอย่างหนึ่งก็ละพยาบาทได้นะครับ เรียนถึงวิธีการเจริญเมตตาทุกแง่ทุกมุมนะในขณะที่กำลังศึกษาเล่าเรียนนั้นอยู่นะครับอันนี้โทสะก็ไม่เกิดนะครับแม้ผู้กาลังเจริญเมตตาด้วยสามารถแห่งการแผ่ไปโดยแผ่ไปทั่วทิศโดยเจาะจงและไม่เจาะจงก็ละพยาบาทได้คือเจริญจริงๆนะครับในชั้นการเรียนก็ละได้ระดับหนึ่งแล้วถ้ามาเจริญตามที่เรียนมานั้นก็ละพยาบาทได้อีกระดับหนึ่ง ผู้กําลังพิจารณาถึงความที่มีกรรมเป็นของตนนะครับของคนทั้งสองคือทั้งของตนและของผู้อื่นอย่างนี้ว่านะวิธีพิจารณานะครับกรรมมศกต า, าบางคนเนี่ยนะครับสับสนตรงนี้นิดนึงว่ า, าการพิจารณาแบบนี้เรียกว่าเจริญอุเบขาแท้จริงแล้วยังไม่ใช่นะครับการพิจารณาเรื่องกรรมเป็นของของตนเนี่ยเป็นอุบายเพื่อละโทสะในชั้นแรกนะครับถ้าเป็นอุเบขาพรหมวิหารนั้นจะต้องระดับได้ชาญแล้วนะครับ ได้ฌานตั้งแต่ฌานที่3ไปแล้วนะครับจึงยังมาเจริญอุเบกขาพรหมิหารนะครับนั้นอุเบกขาพรหมิหารนั้นตามวิสุทธิมรรคนั้นท่านแนะนําให้เจริญต่อจากตติยะฌานที่ที่มาจากกรุณามุทิตาหรืออุอ่าโมทิตานะครับเมตตากรุณามุทิตาเนี่ยนะครับเจริญอุเบกขาพรหมิหารต่อจากนั้นแต่ในการพิจารณาแรกๆเนี่ยนะครับเป็นอุบายเพื่อเจริญเมตตานะ การพิจารณาเรื่องกรรมมากๆเป็นวิธีการพิจารณาเพื่อเจริญเมตตานะครับก็วิธีพิจารณาว่าตัวเจ้าโกรธคนนั้นๆแล้วเนี่ยนะจะทำอะไรเขาได้นะครับจะสา ม, มารถให้คุณทมทั้งหลายมีศีลเป็นต้นของเขาพินาศไปได้หรือตัวของเจ้าก็มาด้วยกรรมของตนก็จะไปตามกรรมของตนไม่ใช่หรื อ, อ, อธรรมดาความโกรธผู้อื่นก็เป็นเหมือนกับความประสงค์ จะหยิบฐานไฟที่ปราศจากเปลวนะครับท่อนเหล็กแดงและอุจจระเป็นต้นและคว้างคนอื่นถึงคนนั้นโกรดเจ้าก็จะทําอะไ ร, ร, รเจ้าได้เขาจะสามารถให้ธรรมะทั้งหลายมีศีลเป็นต้นของเจ้าพินาศได้หรือคนนั้นเขาก็มาด้วยกรรมของตนก็จะไปตามกรรมของตนนั่นแหละดังนี้ก็ย่อมละพยาบาทได้แล้วพิจารณาทั้งที่ยืนทั้งทั้งที่ นะไม่ว่าจะยืนจะเดินเนี่ยนะครับพิจารณาอย่างนี้มากๆ ก, ก็ละโทสะได้แล้วก็คิดอย่างนี้นะเออนี่นะถ้าเราโกรธเขาอย่างงี้เนี่ยมากด้วยศีลใช่ไหมมากด้วยสมาธิมากด้วยปัญญาใช่ไหมถ้าเราโกรธเขามากๆอย่างนี้แล้วนะเขาจะเสื่อมจากมรรคผลนิพพานใช่ไหมเขาจะไปอัตถุคติวิเนบาตเพราะความคิดแบบนี้ใช่ไหมถ้าเขาโกรธเราล่ะนะครับพิจารณาอย่างนี้มากๆก็จะละโทสะได้นะครับหรือการขบพากลยา น, นมิตรผู้ ยินดีในเมตตาภาวนาก็ย่อมละพยาบาทได้นะครับไปหาคนที่เขามีอุบายมีเทคนิคมีวิธีการพิจารณาเพื่อที่จะไม่โกรธนะครับหรือบางทีก็ย่อมละพยาบาทแม้ด้วยคาถาที่เป็นสปายะอาศัยเมตตาทั้งทั้งในที่ยืนและก็ที่นั่งเป็นต้นนะครับก็คือหาพระสูตรที่พระองค์ตรัสถึงเมตตาทั้งหลายเนี่ยนะครับมาอ่านมาเรียนมาสนทนามาพิจารณามากๆนะครับด้วยเหตุ น, นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ตรัสไปว่าธรรมะหประการ เป็นไตเพื่อละพยาบาทละพยาบาท น, นะส่วนเนื้อความพิสดารนะครับเกี่ยวกับเรื่องละโทสะนี่ก็ดูได้ในพรหมวิหารนิเทศนะครับวิสุทธิมรรคเนาะตรงนี้ก็เอามากล่าวเฉพาะคร่าวๆส่วนทีนามิทานิวอนนะครับการเกิดขึ้นแห่งทีนามิทะก็โดยอโยนิโสมนสิการในอกุสรลธรรมมีอารติเป็นต้นนะครับ คือความเอื่อมระอาชื่อว่าอารติความเกียดคร้านทางกายชื่อว่าตันธิความบิดคล้านกายชื่อว่าวิชัมพิกาความมึนงงเพราะพัดคือความอึดอัดเพราะพัดนะครับอึดอัดเพราะพัดเนี่ยชื่อว่าพัตตะสัมมทะคือความเมาอาหารอาการที่จิตห่อเหี่ยวนี่ชื่อว่าความหดหูเมื่ อ, อยังอโยนิโสมนสิการนั้นให้เป็นไปมากครั้งในอกุสุลธรรมเหล่านั้น ทีนมิทะย่อมเกิดใช่ไหมครับอมันน่าเบื่อนะครับเส ร, ริส่งเส ร, ริมในความคิดอันนี้นะไอโ้นโนท์ก็หมายดีอันนี้ก็มันไม่มุวนเลยนะซ้ำซ้ ำ, ซำซากซากอะไรเนี่ยนะคิดแบบนี้บ่อยๆมันก็ขี้เกียจแล้วใช่ไหมครับต้องอ่านอีกแล้วเหรอต้องชันอีกแล้วเหรอต้องบินทบาดอีกแล้วเลิศเงี้ยนะต้องตื่นขึ้นแต่เช้าเมื่ออีกแล้วเหรออย่างเงี้ยลักษณะแบบนี้นะครับเรียกว่าเอือมระอาไงนะทีนมิทะเราจะแทรกขึ้นแทรกเข้านะครับหรือแหมมัน บิดคลานทางกายมันขี้เกียจมั น, นหรือว่าหมามันกำลังง่วงส่งเสริมดีนะหลับนะอะไรเงี้ยนะครับถ้าคิดลักษณะนี้บ่อยๆมากๆนะครับทีน้มิธรรมก็เกิดขึ้นเกิดขึ้นนะครับ้วยเหตุนั้นพระพุ้มีพระภาคเจ้าจึงได้ตรัสไว้ว่าดูความพิสูจทั้งหลายมีอยู่อารติคือความเอือมระอาตามที่ความคลานกายวิชัมพิกาความบิดคลานกายความหดหูใจ การทำให้มากซึ่งโยนิสโสมนสิกาในอารติเป็นต้นเหล่านั้นนี้เป็นเหตุคือเป็นนำผลมาให้เป็นอาหารปัจจัยเพื่อความเกิดขึ้นแห่งทีนามิทาที่ยังไม่เกิดขึ้นบ้างเพื่อความเจริญยิ่งนะเพื่อความไพยบู์แห่งทีนามิทาที่เกิดขึ้นแล้วบ้างนะครับส่วนการละทีนามิทาก็มีได้โดยโยนิสโสมนสิการในอารัมพธาตุเป็นต้นนะครับ คือความเพียรที่เริ่มต้นชื่อว่าอารัมพธาตุความเพียรที่มีกําลังมากกว่านั้นนะครับเพราะออกไปแล้วจากความเกียรคร้านชื่อว่านิกกัมมธาตุความเพียรที่มีกําลังมากกว่านั้นขึ้นไปเพราะก้าวไปสู่สถานที่ข้างหน้าชื่อว่าปรคคามธาตุนะครับความเพียรความพยายามความมุ่งมั่นความบากบั่นนี่นะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่ยังโยนิโสมนัิการให้เป็นไปมากครั้งในวิริยะสามประเภทนี้จึงจะละทีนัมิธะได้นะครับ นะเพราะฉะนั้นนึกถึงพระโสนเป็นต้นเนี่ยนะผู้ที่เพียรพยายามเดินจงกรมเป็นต้นเนี่ยนะครับหรือภาพรูปหนึ่งเนี่ยที่เดินจงกรมแล้วเอาฟางชุบน้ำแล้วก็โปะหัวไว้นะครับให้มันเย็นๆแล้วก็เดินจงกรมนะนึกถึงแต่นิมิตทั้งหลายเหล่านั้นก็จะทําให้ภาคเพียรพยายามมากขึ้นด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ตรัสไว้ว่ามีโยภิกษุทั้งหลายอารัมพาธาตุนะครับคือความเพียร น, นะความเพียรเริ่มต้นนิกรรมธาตุ ความเพียรที่มีกำลังกว่านั้นนะปรกรรมาธานตะุความก้าวหน้าไปข้างหน้าเนี่ยนะการทำให้มากซึ่งโยนิสโสมนสิการในาธาตุเหล่านั้นนี้เป็นเหตุคือเป็นผลนำมาคือเป็นอาหารปรจาัจจัยเพื่อความไม่เกิดขึ้นแห่งถีนามิธาที่ยังไม่เกิดบ้างเพื่อละถีนามิธาที่เกิดขึ้นแล้วบ้างนะครับสาหรับธรรมะประการเหล่านี้นะครับเป็นไปเพื่อละถีนมิทะอีกนะครับก็คือหนึ่ง การบริโภคโพชนะที่เหลือเฟือแต่พอประมาณนะครับมีเยอะแยะแต่ว่าฉันพอประมาณเหนข้อสองผลัดเปลี่ยนอิรยาบทข้อสมนสิการอโลกสัญญาข้อสอยู่ในแต่ที่แจ้งข้อหก็ความเป็นมีกัลยาณนนมิตรข้อ 6. ก็กล่าวถ้อยคำที่เป็นสปายะอธิบายว่าผู้บริโภคอาหารเยี่ยงหัตถะพราหมครับคือหมายความว่าโอ้โห หัตกรพรามนี่เขากินจนแค่ถ้าว่าลุกไม่ไหวนะครับเวลาจะลุกคนต้องมาฉุดมือเขาขึ้นนะครับหรือัตกะพรามหรือว่าพุตตะว ม, มิกระพรามนะครับก็จนถึงขนาดนั่นแหละครับถึงคอนั่นแหละหรือว่าตัทวัตกระพรามนะครับองสากระพรามก็ต้องครตะคดนะนะส่วนกากะมาสกระพรามก็ต้องกามา จ, จิกกินได้นะครับพวกนี้กินเกินไปนะ เพราะฉะนั้นนั่งณนะที่พักกลางคืนและที่พักกลางวันความง่วงเอาหาวนอนจะมาทับถมเหมือนช้างใหญ่มาทับนะครับคือถ้ากินมากมายขนาดนั้นแล้วเนี่ยนะครับอาหารก็ไม่ย่อยใช่ไหมอาหารไม่ย่อยมันก็เมาอาหารมันง่วงอยู่ที่ไหนเหมือนช้างมาทับล้มทั้งตัวเนี่ยนะแต่เมื่อพิสูจนเว้นระยะไว้4ี่ห้าคำแล้วดื่มนม้ําแล้วยังอัตภาพให้เป็นไปตามปกติความง่วงเอาจ้าวนอนก็จะไม่มีนะครับสําหรับโภชนะที่เหลือเฟือ นะครับบริโภคแต่พอประมาณก็ย่อมละทีนามิธะได้นะครับผู้ที่เปลี่ยนอิริยาบถอื่นไปจากอิริยาบถ ท, ที่ตนก้าวลงสู่ความง่วงเหงาหานอนก็จะแก้ได้นะครับสมมติว่ามันง่วงในอิริยาบถนั่งก็ลุกไปยืนเป็นต้นนะครับก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่างนี้ก็แก้ได้แม้ในเวลากลางคืนก็มนานสิการถึงแสงพระจันทร์นะครับหรือว่าแสงประทิศหรือแสงคบเพลิงกลางวันก็มานาสิการถึงแสงอาทิตย์เป็นต้นอย่างนี้ก็ หรือว่าอยู่ในที่กลางแจ้งเนี่ยนะนี่ก็ละทีนามิธะได้นะครับการคบหาสมาคมกับกาลยาณมิตรผู้ปราศจากความง่วงเหงาหานอนเหมือนกับพระมหาคสปะเทระก็ย่อมละทีนามิธะได้นะครับนะนะย่อมละทีนามิธะได้ด้วยกรถาที่เป็นสปายะอาศัยทุดงนะครับคุยแต่เรื่องทุดงเป็นต้นเนี่ยนะทูดงเกี่ยวกับในที่นั่งที่นอนเป็นต้น ด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ตรัสไว้ว่าธรรมะหประการย่อมเป็นไปเพื่อละทีนมิธะได้นะนี่ก็เป็นอุบายเป็นวิธีการเพื่อละทีนมิท่านะครับส่วนอุทจักกุกกุจะนิวรนนะครับว่าอุทจักกุกกุจะมีการเกิดขึ้นเพราะมนุิการโดยไม่แยกคายในความไม่สงบแห่งจิตนะครับ อาการที่จิตไม่สงบแล้วเนี่ยนะครับชื่อว่าอาูปั ส, สมานะครับก็คือคิดถึงแต่เรื่องความฟุง้งซ่านนะนะก็เนื้อความได้แก่อุทะจักกุกุจะนั่นเองว่าผู้ยังอายโยนิโสมนัิการในความไม่สงบแห่งจิตให้เป็นไปมากครั้งอุทะจักกุกุ จ, กจะจะเกิดขึ้นนะครับเช่นก็บางคนก็นึกถึงแต่ความผิดความพลาดที่ตัวเองเคยทํำนะครับนั่งนึกให้มันฟุง้งนะหาเรื่องฟุง้งนะ เอ้เรานี่เป็นอบัติหรือเปล่านะเอ้มันเป็นมันไม่เป็น น, น, นะนะคิดแบบนี้นานๆเข้าเดี๋ยวก็ได้เรื่องนะครับฟุง้งฟุ้งขึ้นฟุ้งขึ้นเอ้เราเป็นพระหรือเปล่านาะเอ้ตอนคู่สวดคูส่สวดสวดถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้เอ้พระที่นั่งอันดับมีศีลหรือเปล่าเอะสีมาเขาสมมุติถูกหรือเปล่าอแต่อย่างงี้ก็ได้ช่องนะครับไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ได้งานนะครับก็ศึกไปเลยนะองค์หนึ่งเนี่ยนะครับ เพราะฉะนั้นผู้ที่ยังอายโยนิสโสมนัิการในความไม่สงบแห่งจิตอย่างนี้ให้เป็นไปมากครั้งอุทะจักุกุจกักก็จะเกิดขึ้นด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ตรัสไว้ว่ามีอยู่ภิกษุทั้งหลายความไม่สงบแห่งจิตการกระทําให้มากซึ่งอายโยนิสโสมนัิการในความไม่สงบแห่งจิตนั้นนี้เป็นเหตุคือเป็นผลนํามาให้นะครับเป็นอาหารปัจจัยเพื่อความเกิดแห่งอุทะจักที่ยังไม่เกิดขึ้นบ้างเพื่อความเจริญยิ่งเพื่อความไพ่บูร แห่งอุทจักกุกุจักที่เกิดขึ้นแล้วบ้างแต่เมื่อมนสิการโดยแยกคายในความสงบแห่งใจกล่าวคือสมาธินะครับอยู่การละอุทจักกุกุจกกัจกก็จะมีได้นะครับถ้าใส่ใจในสมถานิมิตมากๆนะครับก็จะละได้ด้วยเหตุ น, นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ตรัสไว้ว่ามีอยู่พิสูุทั้งหลายความสงบแห่งจิตการทำให้มาก ซึ่งโยนิสโสมนสิการในความสงบแห่งจิตนั้นนี้เป็นเหตุนําผลมาให้คือเป็นอาหารปัจจัยเพื่อการไม่เกิดขึ้นแห่งอุทจักกุกกุจ่าที่ยังไม่เกิดขึ้นบ้างเพื่อละอุทจักกุกกุจ่าที่เกิดขึ้นแล้วบ้างนะครับก็พยายามน้อมจิตไปเพื่อสมาธินะครับน้อมเช่นเจริญศีล ะ, อ, ะอนุสติทั้งหลายนะครับถ้าเจริญอนุสติทั้งหลายมากๆเข้าก็จะไม่ค่อยฟุ้งซ่านนะครับจะสงบได้ดีนะครับ เนี่ยนะสมาธินิมิตเนี่ยนะครับคิดถึงการเจริญพุทธคุณธรรมคุณการสวดมนต์เป็นต้นเนี่ยนะนี่ก็ช่วยได้เยอะนะครับธรรมะ6ประการย่อมเป็นไปเพื่อละอุทะจักกุกุจัคือหนึ่งความเป็นปะหูสูตร 2. การสอบถามสความรอบรู้ชำนาญในพระวินยัย 4. ี่การคบหาสมาคมกับผู้ใหญ่ 5. ความเป็นผู้มีกัลยาณมิตร 6. การกล่าวถ้อยคำที่เป็นสปายะนะครับ อธิบายก็คือผู้ที่เรียน1 2 3 4 5นิกายด้วยสา ม, มารถแห่งบาลีและอัตถกถาคือเนื้อความนะครับโดยความเป็นพหูสูตรอยู่ก็ย่อมละอุทะจกักกุกุจักได้นะครับมันฟุ้งก็เอาแทนที่จะฟุ้งก็เอามาตรึกพระสูตรที่สาธยายที่ทรงจําได้ใช่ไหมครับทีขณิกายเนี่ยสูตรที่หนึ่งว่า ย, ยังไงก็น้อมจิตไปในคําสอนทั้งหลายเหล่านั้นมากๆๆๆๆแบบนี้อุทะจกักกุกุจักก็ละได้หรือผู้มากไปด้วยการสอบถาม ถ, ามถึงสิ่งที่เป็นกัปปิยะและอักกัปปิยะก็แก้ได้นะครับ ไปถามมันนะนี่ควรไหมนี่ไม่ควรก็ไม่ต้องเดือดร้อนใจในภายหลังนะครับจะทําอะไรก็พิจารณาให้รอบครอบก่อนแล้วค่อยทําจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนใจหรือว่าผู้รอบรู้และความเป็นผู้มีปกติประพฤติจนชํานาญในภาระวินัยบัญญัติบ้างนะครับรอบรู้วินัยแล้วก็พยายามทําให้ไม่ผิดพลาดนะครับหรือทําให้ผิดพลาดน้อยที่สุดหรือไม่ผิดพลาดเลยนะครับทําให้บริบูรณ์ต่อไปก็จะไม่ต้องเดือดร้อนใจอะไรอีกนะครับ โดยการคบหากัลยาณมิตรผู้ทรงพระวินัยเช่นกับพระอุบาลีเถระบ้างก็ย่อมละอุทะจกูกุจจะได้นะครับผู้ที่แตกฉานวินัยนะครับพราบรู้วินัยเกี่ยวข้องกับท่านบ่อยๆก็ไม่ฟุ้งอะไรย่อมละอุทะจกูกุจจะได้แม้โดยการกล่าวถ้อยคําที่เป็นสปายะที่อาศัยสิ่งที่ควรและไม่ควรณที่ยืนและที่นั่งเป็นต้นนะครับก็เอาสนทนาอะไรเหมาะสมอะไรควรอะไรไม่ควรเป็นต้นเนี่ยนะครับก็ไม่ต้องเดือดร้อนใจในภายหลังอีก ด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ตรัสไว้ว่าธรรมะหประการย่อมเป็นไปเพื่อละอุทจักกุกุ จ, จนะครับนะครับเพราะฉะนั้นอุบายทั้ง6ข้อที่กล่าวไปนี้ก็ดีนะครับเพื่อเป็นวิธีการเพื่อไม่ต้องเดือดร้อนใจในภายหลังนะครับส่วนวิจิกิจชาก็มีการเกิดขึ้นโดยอโยนิโสมนัสิการในธรรมะทั้งหลายที่เป็นที่ตั้งแห่งวิจิกิจชาก็คือความสงสัยนั่นแหละครับชื่อว่าเป็นธรรมะ เป็นที่ตั้งแห่งวิจิกิจฉาเพราะเป็นเหตุให้สงสัยบ่อยๆนะหาแต่เรื่องสงสัยนะครับคิดแต่ในแง่ที่เราไม่เข้าใจนะครับเอาแต่เรื่องไม่เข้าใจมาคิดให้มากๆนะครับวิธีที่จะส่งเสรมิมวิจิกิจฉาเนี่ยนะนะครับหรือไปนึกถึงคนคําพูดที่ทําให้ก่อให้เกิดความสงสัยนะครับะหาแต่คนขี้สงสัยมามานะอยู่ในหัวใจเรานี่นะครับแล้วคิดตามแบบนั้นนะครับพยายามหาทฤษฎีที่เป็นที่ตั้งแห่งความสนใจจริงหรือไม่ใช่มั่งนะครับ เนะื้หาถ้อยคำเหล่านี้มาคิดเยอะ ๆ, ๆเดี๋ยวก็ฟุ้งไปเองล้วครับเพราะฉะนั้นเมื่อให้อโยนิโสมนานัสิการในวิจิกิจชานั้นเป็นไปบ่อยๆวิจิกิจชาที่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นนะครับอะที่ยังไม่เกิดก็จะเกิดด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ตรัสไว้ว่ามีอยู่เพริศทั้งหลายธรรมะเป็นที่ตั้งแห่งความสงสัยการทําให้มากซึ่งอโยนิโสมนานัสิการในธรรมะเป็นที่ตั้งแห่งความสงสัยนั้นนี้เป็นเหตุ คือนำผลมาให้เป็นอาหารปัจจัยเพื่อความเกิดขึ้นแห่งวิจิกิจชาที่ยังไม่เกิดขึ้นเพื่อความเจริญยิ่งเพื่อความไพ่บู์แห่งวิจิกิจชาที่เกิดขึ้นแล้วนะครับหาแต่เรื่องที่ชวนสงสัยมาคิดเยอะๆนะครับตรงไหนไม่ค่อยเข้าใจเอาตรงนั้นมาคิดบ่อยๆคิดมากๆนะครับเดี๋ยวฮะได้งานนะครับเดี๋ยวสงสัยแล้วสงสัยอีกไอ้อดีตชาติเรามีไหมเนาะจริงหรือเปล่ามีแล้วเราเกิดเป็นอะไรหน้าตาเป็นยังไงรูปร่างยังไงกินอะไร จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้อะคิดแบบนี้เยอะๆไอ้ชาติหน้ามีจริงเลยอย่างเงี้ยนะให้เราบวชถูกต้องไหมเอ๊ะแล้วคนอื่นเนี่ยเขาเป็นพระจริงหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะครับก็สงสัยอย่างเงี้ยทำสอนพระพุทธเจ้าจริงหรือเปล่าคิดแบบนี้เนี่ยต่อพักเดียวนะครับแกไม่มีใครแก้ไขได้แล้วนะครับยากนะครับพวกนี้เป็นอาหารนะครับเพราะฉะนั้นก็ตัดไฟเสียแต่ต้นลมนะครับอย่าให้ความคิดแบบนั้นมันเกิดขึ้นเกิดขึ้นอะไแย่นะครับเดือดร้อนอยู่ไม่เป็นสุขหรอกครับ ส่วนการละวิจิกิจชาก็มีได้ด้วยโยนิโสมนัสิการในธรรมะทั้งหลายมีกุศลเป็นต้นด้วยเหตุ น, นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ตรัสไว้ว่ามีอยู่ภิกษุทั้งหลายธรรมะทั้งหลายที่เป็นกุศลอกุศลธรรมะทั้งหลายที่มีโทษและไม่มีโทษธรรมะทั้งหลายที่ควรเสพและไม่ควรเสพธรรมะทั้งหลายที่เป็นส่วนดำนะที่เป็นส่วนขาวการทําให้มากซึ่งโยนิโสมนัสิการในธรรมะเหล่านั้น นี้เป็นเหตุนําผลมาให้เป็นอาหารปัจจัยเพื่อความไม่เกิดขึ้นแห่งวิจิกิจฉาที่ยังไม่เกิดขึ้นเพื่อละวิจิกิจฉาที่เกิดขึ้นนะครับก็เรียนเรื่องกรรมบดให้ดีนะครับทั้งกุศลกรรมบดและอกุศลลกรรมบดเรียนกรรมและผลของกรรมให้มั่นคงแล้วก็ไปตามหลักนั้นน้อมจิตไปในลักษณะนั้นมากๆครับก็จะละวิจิกิจฉาได้นะครับเอาเรื่องกรรมเป็นต้นเนี่ยมาตรึกให้ดีๆนะครับ จำสูตรให้แม่นแล้วค่อยนึกนะครับไม่ใช่ว่าอะไรที่งูงูปลาไม่ค่อยรู้แล้วก็คิดแต่เรื่องประเภทนั้นอ่ะ ไ, ได้ได้งานนะครับมันก็หาเรื่องที่ชัดเจนมาตรึกบ่อยๆนะครับหาเรื่องที่เข้าใจดีๆแล้วเนี่ยมาพิจารณามากๆอืมขญาตคนคนเขาเพาะเชื้อเห็ดเขาก็ได้กินเห็ดนะเขาเพาะเชื้อลาเขาก็ได้ปุ๋ยหมักแล้วเราเพาะไอ้เชื้อนิวออ น, นี่เรามันได้อะไรครับเนี่ยก็ไปอบายไงครับ เป็นเหตุให้ไปสู่ทุกขตินะครับแต่ชอบพาะอะไรไปนะโดๆก็เราไม่ใช่สาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับขณะที่เพาะนี่วอนทั้งหลายนะครับไม่มีเลยคําสอนนะครับว่านี่วอนเกิดเยอะๆนะไม่มีแต่ก็ไอ้สิ่งที่ตรงข้ามกับคําสอนชอบเจริญกันนะครับคือสะสมมามากนะสะสมมามากเนื่องจากไม่เห็นโทษนะครับเพราะในชั้นนี้ก็ต้องสมาทานเพื่อจะเห็นโทษนะครับสมาทานวันนี้คือศัตรูเรานะ พระพุทธเจ้าอัทั้งหลายเนี่ยท่านละนิวรน์นะท่านตั้งมั่นในสติปัฏฐานสีจะอ บ, บรมพชทชงเจตตรัสรู้ด้วยอราริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดนะของเรามาชุ่มอยู่ด้วยนิวรเนี่ยปฏิบัติตรงข้ามกับคำสอนหมดเลยอย่างเงี้ยนะสาวกของใครกันแน่เป็นต้นนะก็เอาอย่างเงี้ยมาคิดมากๆนะครับก็ช่วยได้เยอะนะท่านเอาเรื่องกุศลกุศลเป็นต้นเนี่ยมาตรึกบ่อยๆแบบคนมีข้อมูลอย่างพร้อมเพรียงนะครับ นี่ก็จะช่วยทำให้ละวิจิกิจช้าได้ธรรมะหกประการนะครับย่อมเป็นไปเพื่อละวิจิกิจชาคือหนึ่งความเป็นผู้สูตรการซักการถาม3การรอบรู้ในพระวินัยสี่ความเป็นผู้มากไปด้วยอธิมุกแล้วก็หาความเป็นผู้มีกาลยานามิตรแล้วก็หกความเป็นผู้กล่าวถ้อยคาที่เป็น ส ป, ปายะนะครับก็เรียนหนึ่งสสามสหนิกายนะครับด้วยอนานาจแห่งภาพบาลีและอัตตะถาก็ละวิจิกิจฉาได้นะครับเหมือนเรามาเรียนอิติวุติกายอย่างนี้จบไปหนึ่งคำพีอย่างเงี้ยนะครับถ้าหากสักสิคัมภี่สิบคำพีำพ์นี้ก็สบายแล้วนะครับก็ไม่ค่อยสงสัยอะไรแล้วนะครับครับผมถ้ามีบุญ ต่อไปก็สอบถามมากด้วยธรรมะมีประเภทกุศลเป็นต้นนะครับหรือว่าสนทนาเรื่องคุณของพระตนะตรัยนะครับพระพุทธเจ้ามีคุณเพราะเหตุนี้เหตุนี้พระธรรมมีคุณเพราะเหตุนี้พระสงฆ์มีคุณเพราะเหตุนี้สนทนาเรื่องราวเหล่านี้มากๆก็จะละวิกิกิจฉาได้หรือความรอบรู้ชํานาญเพราะความเป็นผู้ประพฤติจนชํานาญในพระวินัยบ้างนะครับก็จะแก้ปัญหาได้นะครับ พุ่มมากไปด้วยอธิโมก ค, คือความเชื่อที่พึงกําหนดลงแน่ในพระัตนตรายบ้างนะครับศรัทธาธ่โมกโขนครับน้อมจิตไปด้วยศรัทธาในพระัตนตรายนี่ยนะนะก้มกราบด้วยศรัทธาหมอกกายถวายชีวิตนะครับน้อมจิตอย่างนี้ไปมกัมกๆบ่อยๆบ่อยๆก็จะไม่สงสัยนะครับหรือว่าคบหาสมาคมกับกาลยานามิตรพูดน้อมไปในศรัทธาเช่นกับภวกริบ้างยอมละวิจิกิจชาได้นะครับ ศรัทธาอย่างเลียวนะครับไม่วิจารณ์พระพุทธเจ้าสักอย่างเลยดีหมดถ้าพระพุทธเจ้าไง น, นะถ้าคำสอนละดีหมดถ้าภาษาวกของพระพุทธเจ้าปฏิบัติดีหมดใครมาวิจารณ์ไม่ฟังสักอย่างนะครับท่านน้อมใจได้แบบนี้ก็สบายนะครับหาเพื่อนแบบนี้ครบนีสบายมากนะครับหรือว่าย่อมละวิจิกิจฉาได้แม้ด้วยการกล่าวถ้อยคําที่เป็นส ป, ปายะอาศัยคุณของพระรัตนตรายไม่ว่าในที่ยืนที่นั่งเป็นต้นก็พูดสนทนาสาธยายแต่คุณของพระรัตนตรายนะครับ ปณิธานโตปทายะทัสสะประมิโยทัสสะอุปรมิโย อ, อมาคีตามนั้นบ่อยๆนะครับหรือเช่นสริทิติมติเตโชเป็นต้นเนี่ยนะครับทวติงสาการอ ะ, อะไรนะสริทิติมติเตโชชยสิทธิมหิทธิมหาคุณาปริมิตาปุญญาธิการะสะทวติงสับพันตรายานิวารณะสมัธะสะภควะโตนะ อรหโตสัมมาสัมพุทธสัทวะเต็งสมมาภูริสลักขนานุภาเวนะอสีตยานุพยัญชนะนุภาเวนะอธุตระสังคลันุภาเวนะัพัรณรังสียานภาเวนะเกตุมาลานุภาเวนะก็ถ้าเข้าใจความหมายแล้วก็ตึกตึกตึกตึกตามนั้นก็โอ้มวนขนาดก็จะละวิจิกิจชาได้นะครับด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าธรรมะหกประการนี้ย่อมเป็นไปเพื่อละวิจิกิจชาได้นะครับ